บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกรรมฐานส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นมุ่งที่จะทำจิตใจของตนให้สงบจากอารมณ์อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจซึ่งหมายความว่าทั้งตัวอารมณ์ และตัวเหตุให้เกิดความซ้ำมองใจตัวอารมณ์ที่กล่าวนั้นก็คือรูปเสียงริดโรตผุธพัช ท, ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นกลางๆพระยาบุคคลกับสามั ญ, ญชนเห็นอารมณ์เช่นเหล่านั้นเช่นเดียวกันตัวแปรสำคัญจึงอยู่ที่จิตใจ ของผู้ที่เห็นอารมณ์เหล่านั้นดันั้นหลักการปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเน้นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติมากกว่าวัตถุภายนอกเพราะวัตถุภายนอกนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาแกมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาสภาวะอย่างเดิมของแกก็เป็นกลางๆแต่คนอาจจะชอบอาจจะชังในวัตถุในอารมณ์เหล่านั้นก็ได้ ตัวการที่ก่อให้ชอบให้ชังก็คือกิเลสไปในใจของบุคคลแต่ละคนในขณะที่ประสบอารมณ์เหล่านั้นแลงนั้นในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงทรงจำแนกแสดงให้บุคคลกำหนดลึกดูจิตของตนในแต่ละขณะซึ่งในชั้นนี้เป็นการปฏิบัติที่ละเอียดตึกซึ้งลงไปกว่าการปฏิบัติในตอนต้ น, ตน เป็นเรื่องการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นไปช้าเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของจิตการที่จะระลึกรู้ทันจิตจึงต้องต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะที่เป็นไปได้เร็วความเพียรที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะต้องมีลักษณะที่แรงกล้าพ อ, อสมควร เราทำมาอย่างนั้นแล้วบุคคลจะไม่รู้จักจิตของตนหรือว่ารู้บางขณะจะไม่รู้บางขณะจิตที่เปลี่ยนแปลงไปบางขณะอาจจะเปลี่ยนดังไปโดยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยซัำไปลักษณะการดูจิตในทํานองนี้ก็คล้ายๆกับคนที่วิ่งมาเป็นแถวด้วยเวลานรวดเร็วการจะจําแนกแยกแยะให้ทันว่าใครเป็นใครนั้น นอกจากแกสติเร็วแล้วสายตาต้องเร็วด้วยอาศัยความจำที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจเป็นตัวประกอบด้วยการศึกษาจึงเน้นไปที่เสริมความจำลักษณะของอารมณ์หรือของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นส่วนการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับการมองขนชีวิ่งผ่านไปงานคนละลักษณะคนละคนะหน้าที่แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือถ้าเราจำลักษณะของกิเลสอารมณ์ได้น้อยก็แยกไม่ออกเวลาแกเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันนะในการทรงแสดงอธิบายจึงอธิบายเน้นถึงลักษณะของกิเลสแต่ละอย่างหรือธรรมะแต่ละข้อที่บังเกิดขึ้นจึงตามปกติแล้วเวลาจิตของบุคคลถูกครอบงำด้วยกิเลสนั้น มากจะตกไปที่ราคาที่เคยกล่าวมาแล้วมากเป็นพิเศษที่รองลงมาก็คือเรื่องของโทสะเม่ ต, ตามปกติแล้วโทสะจะเกิดขึ้นจับคืนฐนันจิตที่มากโดยโทสะบ้างเกิดขึ้นเพราะขาดหลักบานศิการเกิดขึ้นเพราะแรงบีบคั้นจากภายนอกคือมีความกดดันอารมณ์จากภายนอกบ้าง และเกิดขึ้นจากความเปราะบังในด้านจิตใจของบุคคลนั่นเองดั น, นั้นลักษณะของโทสะที่ปรากฏเกิดขึ้นบุคคลจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในเชิงของปริยัติให้รู้ว่านี่คือลักษณะของโทสะท่านก็แสดงลักษณะของโทสะไว้ว่ามีสภาวะที่เกล้าดังรุนแรงเวลาบางเกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตของบุคคลจึงสังเกตเห็นได้ไง่าย และในขณนะดเดียวกันก็จะกระจายความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกับไฟที่เกิดจากกองน้อยๆแต่เมื่อมีเชื้อบวกข้าวก็จะลุกไหม้ได้ในเวลานรวดเร็วหรืออาจจะไหม้บ้านไหม้เมืองไปเลยก็ได้อาการของโทสะที่ปรากฏแก่จิตใจบางครั้งบุคคลก็สังเกตไม่ออกว่าเป็นโทสะเรืออะไรเช็นรู้สึกไม่ชอบรู้สึกราคาญ รู้สึกท้อแท้ในนในเรื่องต่างๆที่ตนเกี่ยวข้องอยู่บางครั้งก็ไม่ยินดีในสิ่งบางอย่างลักษณะเหล่านี้ดูแล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตของคนแต่แท้จริงแล้วก็เป็นอาการของโทสะอย่างอ่อนๆสมมติว่าบุคคลเกิดไม่ยินดีมากไปในที่สุดสภาพแวดล้อมก็จะ ไม่ น, น่าชื่นชมสำหรับบุคคลผู้นั้นออกมาในลักษณะงุดหงิดไม่อยากพูดไม่อยากทำไม่อยากมองไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยก็กลายเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งของโทสะเหมือนกันที่เรียกว่าปฏิค่ะทีนี้ถ้าตัวนี้เองเกิมีเชื้อบวกมากจิงขึ้นและเกิดเป็นความโกรธขึ้นมาภายในใจใจก็จะสายไปในแนวของ วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาาัาดดังที่เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนทีนี้ถ้าหากว่าแรงมากตัววัตถุบุคคลไม่ปรากฏในที่นั้นแต่ว่ากิเลสปรากฏขึ้นภายในจิตเป็นอาการของโทสะที่ ร, าร่าเรอนรุนแรงและเริ่มจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็จะไม่อยู่เฉพาะภายในจิตแต่แก็จะบังคับอาการกายวาจาของบุคคลให้แสดงสิ่งที่เรียกว่าวิปริตออกมา แม่จะอยู่คนเดียวก็ตามมีอาจอาจจะมีการคว่างปามีการแกวงมือแกลงเท้าเป็นต้นนี่เป็นลักษณะที่แรงขึ้นและส่วนหนึ่งก็จะตกตะกอนกลายไปเป็นพยาบาทซึ่งก็กลายเป็นแผลใจของบุคคลอาการต่อไปก็คือจะมีการเบียดเบียนตัวเอง ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นถ้ารุนแรงแม้แต่ผู้มีพระคุณก้อนี้เพิ่งสังเกตได้ว่าก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกิเลสแถวนั้นเป็นกิเลสตัวเดียวกันนั้นเองแต่ถ้าแกรุนแรงน้อยมันก็เบียดเบียนเฉพาะเราเท่านั้นเช่นเก็บกดความอาฆาตความไม่พอใจไว้ภายในจิตขณะนั้นยังไม่แสดงอาการอะไรออกมาก็เบียดเบียนเฉพาะตนเอง แต่บางครั้งพอแรงมากเข้าเก็บกดไว้มาอยู่ก็จะออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นรูปของอกุศลซึ่งก็ใน อ, อกุศลกำหนดนั่นเองที่ตัวตรงๆเห็นได้ชัดก็มีจุดเจดข้อด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเป็นตัวตามนั้นก็ตามได้ทุกข้อไปอย่างที่เคยกล่าวมาเสมอว่ากิเลสนั้นที่จริงจะเกี่ยวเนื่องถึงกัน ก็มีรากกันเดียวกันคืออวิชชาแกอาจจะเริ่มที่โลภะก็ได้แต่ต่อมาก็เพิ่มเป็นโทสะแกอาจจะเริ่มที่โทสะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโลภะก็ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีโมหะคือความหลงเจออยู่ตลอดไปดังนั้นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของบุคคลในบางขณะที่เป็นเพียงความคิดอยู่ภายใน จะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองเป็นกิเลสประเภทนิวรณที่กั้นจิตคนไว้นั่นเองประเภทนี้พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมามันโรคภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนคือจะเสียแทงมากน้อยเท่าไราก็ตามคนคนนั้นคนเดียวจะรับความเจ็บปวดเหล่านั้นแต่บางครั้งบางคราวเมื่อมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันก็จะออกมาเป็นอกุศลกรรมบท เข้อที่เห็นได้ชัดๆก็คือปาณาติบาตมีการประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นลนักษณะเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการโทรสะที่รุนแรงคล้ายๆกับไม่พอใจลูกภายในบ้านถ้าโทสะอ่อนๆอาจจะเตือนกัน่เฉยๆถ้าโทสะมากขึ้นอาจจะดุมากขึ้นกว่านั้นอาจจะดา่ามากขึ้นกว่านั้นอาจจะทุบจี รุนแรงมากขึ้นกว่านั้นอาจจะล่ออกจากบ้านและอาจจะตัดขาดจากข้อจากลุกกันเป็นต้นที่จึงเป็นอาการเดียวกันแต่มันมีความรุนแรงสูงขึ้นจากนั้นเด็การประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นจึงหนักมากยิ่งขึ้ น, นดังนั้นพึงสังเกตว่าอากุศลที่เกี่ยวกับกรรมหนักที่สุดได้แก่อนันตริกรรมทั้งห้าประการนั้นมันเกิดมาจากโทสะ ฆ่าพ่อค่าแม่ค่าพระหัตถ์ฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายสงให้แตกกัน4ีข้อแรกนั้นโทสะเด่นชัดมากแต่ข้อที่3มีลักษณะทั้งโลภะและทั้งโทสะที่เด่นแต่ทั้งหมดนั้นมีอาการโมหะอยู่ทั้งหมดเลยนี่คือความรุนแรงที่ก่อให้เกิดเป็นการเลียดเปลี่ยนจนถึงกับประทุษร้ายแม้แต่ผู้มีพระคุณเช็นบางครั้งบางคราวลูกเต่า อาจจะรุนแรงต่อพ่อแม่ปูปรารีของตนจนถึงกับปู่ย่าตาใหญ่แต่ถ้าสภาพจิตกจปกตกิจะทำไหมเราก็ตอบได้ว่าแกไม่ทำการที่แกทำเช่นนั้นแสดงว่าสภาพจิตถูกกดดันด้วยโทสะสูงแกก็ออกมาจากนั้นประการต่อไปก็คืออจิตนาฐานที่มีการปล้นเผาล้างพลานกันจะพบว่าการปล้นการบางครั้งบางคราวนั้น ไมาได้ด้วยโลภะแต่ทําต้องการจะแก้แค้นทําลายอีกฝ่ายหนึ่งให้พิบัติไปพินาฏไปบางทีอาจจะเผาเรือกสวนไรนาเขาหรือทําลายทรัพย์สินของเขาเป็นต้นที่จริงตนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็มีความรู้สึกกลศาสะใจก็ได้กระทาไปตามความโกรธที่บังเกิดขึ้นประการต่อมาก็คือพวกของวจีทุจริตทั้ง4ประการนั่นเอง ด้แก่การพูดจากโกหกหลอกลวงบุคคลอื่นในกรณีที่เกิดจากโทสะเพรละโกหกนั้นได้หลายแนวอย่างพวกโฆษณาสินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือปลอมแปลงสินค้าเป็นการกระทำดีดโลภะแต่ถ้าโกหกในลักษณะต้องการความพิบัติได้แก่คนอื่นเช่นไม่ชอบคนคนหนึ่งและเป็นพยานโจทย์ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น เพื่เขาประสบความผิปัติไปตอนนี้ก็เป็นอาการของโทสะโดยการยุยงให้คนเกิดความแตกแยกกันนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นอาการของโทสะแต่บางครั้งก็เป็นอาการของวิหิงสาแต่บางครั้งก็เป็นอาการของโลภะก็ขึ้นอยู่กับกรณีแต่ตัวการที่สุดก็คือมุ่งปฏิสราจึงเป็นอาการของโทสะําหยาบคายร้ายกาดนั้นให้ลองสังเกตว่าทัาสภาพจิต ป, ปกติจริงๆใครเขาไม่พูดคําหยาบคายออกมา คำยาวคายจะต้องเกิดขึ้นจากสภาพจิตที่ถูกโทสะกลุ่มรุมสูงนอกจากคนที่มีจิตสันดานเป็นอย่างนั้นเองแต่ในกรณีที่เขามีจิตสันดานเป็นอย่างนั้นบางครั้งบางครั้งอาจจะไม่เกิดโทสะก็ได้แต่ว่าเป็นสันดานคือสิ่งที่เรียกว่าสันดานหรอวาสนาึงละไม่ขาด น, น, นี้ก็เป็นกรณีที่ละเอียดไป ควมเพอ้อเจอ้เดือหลยรยการต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากโทสะแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าอาจจะเกิดจากโมหะก็ได้โลภะก็ได้อกุศลอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นฐานใหญ่ก็คือพยาบาทดังนั้นอกุศลกำบทถึง7ข้อด้วยกันใน10บข้อที่มีโทสะเป็นตัวนาได้และแสดงกิริยาการออกมาในทนองร่างสาเรเบียดเบียนบุคคล แล่เมื่อทำไปแล้วมันจะมีการเก็บสะสมไว้ในจิตสันดานของบุคคลเพื่จะสังเกตเห็นได้ว่าความบีบั้นทางอารมณ์เป็นต้นที่กราบในวันก่อนที่บุคคลเก็บกฎเอาไว้ซึ่งตามปกติธรรมดาแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงคือโลภโกรธหลงน้อยลงประหลักธรรมะในทางศาสนานั้นเป็นสันเลธรรมคือมีอาการขัดกลาว แต่บางครั้งบางกรณีจะพบว่าอายุวัฒนามยิ่งมากขึ้นเข้าวัดฟังธรรมจําศีลมากขึ้นแล้วก็โกรธมากขึ้นจนกลายเป็นสูตรที่เขาพูดล้อเล่นกันว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอคือนั่งกรรมฐานดูบ่อยๆแล้วในที่สุดจิตใจจะขี้โกรธแต่ลักษณะเหล่านี้ให้โปรดสังเกตอย่างหนึ่งคือบางทีไม่ใช่อาการโกรธแต่เป็นอาการทนไม่ได้ของอารมณ์ เป็นโทสะอ่อนๆือไม่ถึงกับรกรแรงแตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่ได้ฝึกปลืออบรมมาในด้านนี้จะมีการขัดเกลาวโทสะกิเลสออกไปให้เบาบางออกไปมเหมือนกับผ้าขาวที่ซักเริ่มจะสะอาดไปติดฝุ่นอะไรานิดหน่อยเลยสปลกปร<อ>กเห็นได้ชัดเจนท่านผู้ปฏิบัติกรรมาฐานบางคนจึงไม่พอใจที่จะฟังคำหยาบคาย หรือไม่พอใจที่จะคุยสนุกสนานเฮฮากับบุคคลอื่นตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเริ่มมีความสะอาดมีความส ง, งบและสิ่งเหล่านั้นเป็นค่าสึกต่อความสงบเพราะฉะนั้นจึงหลบออกมาบางครั้งคนไม่สังเกตก็มองเห็นว่าท่านเป็นคนขี้โกรธแต่แท้จริงแล้วมันเป็นค่าสึกคือเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นค่าสึกต่อใจเพราะอะไรเพราะอัปปมาเตธรรมสม บ, บุคคลประเภทนี้ จะเกิดขึ้นทันควันกับการเกิดขึ้นของอารมณ์ได้แก่วิเคราะห์อารมณ์ทันทีว่าอารมณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเกลืองรุ่งหลวงมัวมีไหมถ้าก็เป็นเช่นนั้นท่านก็จะสลัดอารมณ์ถ้าสลัดไม่ได้ก็ต้องหลีกเราขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งในด้านจิตใจของบุคคลบางครั้งสลัดได้บางครั้งสลดดัสลดไม่ได้เมื่อสลัดไม่ได้ก็ต้องหลีกไปก่อนดังนั้น ลักษณะเหล่านี้จึงต้องอยู่ที่การสังเกตของผู้ปฏิบัติเองว่าเกิดขึ้นเพราะโทสะหรือเกิดขึ้นเพราะเห็นว่ามันจะการเป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลสให้มากยิ่งขึ้นนี้ก็เป็นลักษณะของกิเลสประเภทของโทสะดังนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้มีการสะสมไว้ในจิตสันดานของบุคคลก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไป แม้จะแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนเป็นปูชนียบุคคลประกอบด้วยเมตตาคนเข้าใกล้ก็มีความเอื้อป่นมีความสงบเยือกเย็นแต่บางคนพอเข้าใกล้นี่เดือดร้อนแล้วคือแสดงว่าท่านร้อนมาจากข้างในและความร้อนเหล่านั้นก็เลยสัมผัสเราสัมผัสกันได้ด้วยใจตนนี้ผู้ปฏิบัติศึกษาธารรมจะพบว่าคนบางคนเราเข้าใกล้แล้วอุ่นบางคนเข้าใกล้แล้วร้อนบางคนเข้าใกล้แล้วจิตสับสน นี่ตอนนี้เป็นเพราะว่าเราสัมผัสกันได้ในด้านความรู้สึกลักษณะของจิตที่เป็นโทสะเป็นเช่นนี้ถ้าจะถามว่าจิตที่ตรงกันข้ามกับโทสะคือปราศจากโทสะมีอาการเช่นไรก็ดูลักษณะตรงกันข้ามลักษณะของจิตที่มีความอ่อนโยนมีความเยือกเย็นมีความสงบไม่กระด้าง น, นั่นก็เป็นอาการตรงกันข้ามกับโทสะ ในขณะเดียวกันนั้นสภาพจิตที่ปรากฏบังเกิดขึ้นแก่บุคคลจะเพิ่มปริมาณของความดีงามเหล่านั้นให้สูงขึ้นจะมีความรู้สึกเมตตามุ่งดีปัตถนาดีต่อบุคคลอื่นแม้แต่รู้ข่าวคราวกันประทุสร้ายกันก็เกิดปรงธรรมสังเวช ทำไมสัตว์โลกจะมีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่อยู่ให้เป็นสุขขอก็อยู่เป็นสุขจะ ไ, ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเป็ น, นและลักษณะความรู้สึกเหล่านี้จะสะสมมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแต่เป็นการเพิ่มพูนพุนเพิ่มพูนในแนวตรงกันข้ามเป็นอาการของเมตตารตรงกันข้ามก็กระจายออกไปได้รอบทิศ คือจะมองคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมร่วมตายกับตน ต, ตลอดใต้ทั้งโลกตามลักษณะาการที่อุ้ยเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตานั้นเองเพราะไรเพราะมีการสะสมเอาไว้มากเมื่อตอนได้สัมผัสผลความเยือกเย็นความสงบจากเมตตาธรรมนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะมุ่งให้เกิดผลเหล่านั้นแก่บุคคลอื่นด้วย ซึ่งสุดตายตัวในเรื่องนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพอปัญญาเกิดขึ้นมากจใจคนจะสะอาดขึ้นจะสงบขึ้นพอใจคนสะอาดขึ้นสงบขึ้นนั้นจใจจะมากโดยเมตตากรุณาแต่นั้นในทํานองตรงกันข้ามถ้าคนมืดบอดจใจจะขุนมัวเศร้าหมองเมตตากรุณาเกิดไม่ได้เพราะเมตตากรุณาจะต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญญาที่จะขัดเกลาสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับเมตตากรุณาได้แก่พยาบาทปีงสา พอปัญญาเหล่านี้จะเกิดขัดเกลาได้หรือแม้ขัดไ ม, ไม่ถึงระดับปัญญาสุดยอดก็เอาเพียงสงบคือสมาธิขัดเกลว์เพื่อสร้รางความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นภายใน จ, จิตใจของบุคคลทีนี้การดูนั้นก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าเหมือนคนวิ่งเราจะกําหนดว่าจะเป็นโทสะหรือไม่มีโทสะเสมอไปก็ไม่ได้บางทีอาจจะมีราคะไม่มีราคะคือสรุปการดูจึงดูว่าจิตในขณะนั้นๆเป็นอย่างไรก็ให้รู้ ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่จะจับคู่ตรงกันข้ามอยู่เสมอแต่จะมากันอย่างนั้นคือสับสนวุ่นวายกันไปหมดตามลักษณะของอารมณ์ตามขณะของจิตตามปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งในกรณีของโทสะซึ่งเป็นประเภทที่สรงสอนให้บุคคลบันเทาขม่มระงับดับไปนั้น การที่บุคคลจะขจัดสิ่งอะไรออกไปจะต้องมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือมองกิจอันเป็นหน้าที่ของโทสะว่าเมื่อแกเกิดแล้วแกทอยังไงแกจะทาหน้าที่เป็นคำบาลีดิทันชายภัจจันะคือผูกมัดรัดรึงใจของบุคคลไว้เป็นความโกรธประเภทที่ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกระรขีดสรอยห ร, อยรอยหนึ่งมอรอขีดในานา้ารอยขีดในดินรอยขีดในขิน บางคนโกรธแล้วกแลกันไปแต่บางคนก็เป็นตะกรอนใจเก็บไว้เหมือนรอยขีดในดินผ่านการเวลาไประยะหนึ่งก็หายแต่บางอย่างก็เหลือกำลังคือโกรธมาตั้ง2ี่ปี30ปีแล้วบางทีโกรธมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆ ก, กันมายังไม่หายนี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นการมันมัดรัดรึงใจของบุคคลไว้แล้วเมื่อมัดในปัจจุบันคือมัดในแต่ละขณะจิต มัดในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแล้วจะมัดไปในสังสาระด้วยเพราะตราบใดที่ยังมีโทสะอยู่ตราบานั้นการหลุดพ้นจากสังสาระมีไม่ได้การหลุดพ้นจากวัตฏะทุกนั้นมีไม่ได้ระการต่อไปก็คือกั้นจิตอันเป็นอาการของนิวรณ์ในขณะใดที่จิตถูกโทสะกลุ้มรุมหรือกั้นไวหรือครอบงอยู่จะมากหรือน้อยก็ตาม ความซึ่งงบจะไม่บังเกิดขึ้นภายในใจและสมาธิที่มุ่งมา่ปรารถนาการก็จะไม่เกิดขึ้นมันมีเพียงนิดเดียวเพียงตัวเดียวเท่านั้นมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับวัตถุสิ่งของต่างๆที่ลอยไปในกระแสน้าคือบางทีกกใหญ่โตแล้วกันแต่มีอะไรเกี่ยวนิดเดียวแกไปไม่ได้ ใจคนก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยสภาพใจแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสมาเร็จมาแต่ใจก็ดูแลใจแกก็ใหญ่โตครอบงมสรรพสิ่งต่างๆไว้ได้แต่พอแกถูกครอบงามอะไรด้วยกิเลสหรือ ด, ด้วยธรรมะก็ตามเฉพาะในกรณีนี้ก็คือด้วยกิเลสแกก็ไปก็แกไปได้คือส ง, งบไม่ได้เพราะถูกสิ่งเหล่านี้กัน้นเอาไว้ ความดีจะด้าหน้าจะรุดหน้าไปก็รุดหน้าไปไม่ได้เพราะความดีจะต้องทำด้วยกุศลและเจตนาแต่เมื่อในขณะนั้นจิตประกอบด้วยอกุศลแก่ก็เดินไม่ได้ประการต่อไปนั้นก็คือมีลักษณะเป็นอนุสัยนอนสงบอยู่ในจิตสันดานอันนี้กิเลสทุกประเภทมันก็ต้องเป็นอนุใสยทางนั้นคือสงบดิ้งอยู่ในจิตเวลาอารมณ์อะไรมากระแทกก็จะเกิดไม่พอใจ ท่านทั้งหลายลองสังเกตลักษณะโทสะที่เป็นอนุสัยสมมติว่านายกอเคยทําความไม่พอใจให้แก่เราแล้วก็นายกอก็จากไปนานตั้งหลายปีตอนนั้นก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับ น, นายกอจนลืมไปแล้วที่ทำไปแต่พอมาวันหนึ่งนายกอมาถึงอนุสัยแกเกิดจริงคนนี้เคยทําอย่างนั้นแกเราเคยดา่าเราเคยเบียดเบียนเราประหารเรา แกก็ขึ้นฟูขึ้นมาปรุงปรุก็มากลายเป็นนิวรนคันก็กลายเป็นคันถะปลุกมัดใจแรงขนาดไหนถ้าว่ามีความรุนแรงมากเพิ่มเชื้อบวกเข้าด้วยในขนะนั้นก็จะออกมาในรูปของการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เข้าลักษณะของโทสะที่เต็มรูปประการต่อไปคือเป็นกิเลสได้แก่สร้างความเราหมองให้เกิดขึ้นในจิตใ จ, จที่เราเรียกว่ากิเลส กิเลนั้นเป็นการเรียกลักษณะอาการของโลภะโทสะโมหะที่แปรรูปไปอย่างไงก็ตามเรียกกิเลทั้งนั้นเพราะเวลาเกิดแล้วทําใจให้เศรมองมีความขูนัวจิตปกติอยู่นี่แหละเช่นอาจจะนั่งสมาธิทํากรรมฐานอยู่คนบางคนจิตใจอ่อนไหวง่ายเกินไปเพื่อนเกิดกแกล้มกไก่ขึ้นหน่อยนิดเดียวเกิดโทสะแล้วตั้งๆ ท, ที่ว่าเรื่องเหล่านี้ใครๆก็ข้ามไม่ได้เป็นอาการของโรค แต่ถ้าใจอยู่โดยเมตตาก็อยู่ได้ใจก็ไม่ทราบมองเราทำความสงบรงไปได้ะประการณ์สุดท้ายก็คือเป็นสังโยชน์ที่ผูกมัดจิตใจสัตว์ไว้เนื่องจากกิเลสประเภทนี้แก่แรงโทษแรงแต่คลายเร็วโดยสภาพกิเลสประเภทโทสะจึงต้องต่อสู้กันนานพอสมควรพระโสะดาบันเองนั้นบรรเทาได้ แต่ก็ละไม่ได้พระสะกิตาคามีเองบรรเทาได้แต่ละไม่ได้บรรเทาได้มากกว่าแต่ก็ละไม่ได้พระอนาคามีเท่านั้นจึงละโทสะได้พระอนาคามีกับพระอรหรันต์เป็นการละโทสะได้เด็ดขาดท่านเหล่านี้จะภูเขาถล่มแผ่นดินทลายคือใครจะทำอะไรก็ตามจะไม่เกิดโทสะแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นรากที่อย่างลึกของโทสะว่ามีความอย่างลึกอยู่ว่าเป็นตัวการสำคัญแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปรากฏตัวเองในหลายรูปหลายแบบหลายลักษณะตากบุคคลไม่อาศัยประหยัดคือการศึกษาให้รอบรู้เกิดความเข้าใจในตัวสภาวะในลักษณะในกิจในหน้าที่ในผลที่ปรากฏขึ้นจากโทสะแล้วโอกาสที่จะรู้เท่าทัน ก็ทำได้ยากก็ทําน้องง่ายๆว่าโจรเข้าบ้านคือถ้าเราแยกไม่ออกว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นญาติพี่น้องก็โจรก็จะเข้ามาในบ้านได้สบายแต่ถ้าเราแยกออกรู้ทันในขณะนั้นเ๋ยวเราจะป้องกันไว้ตั้งแต่ไม่้ข้ามาที่ประตูบ้านแล้วก็จะแก้ปัญหาในตอนต้นได้ปัญหาในตอนหลังก็ไม่ต้องเกิด ในขณะเดียวกันสมมติว่าแกผ่านข้ามาได้เรารู้ในขณะใดเราแก้ปัญหาในขณะนั้นได้นอกจากวก็รู้จนสายไปแล้วคือก็จับมัดไปแล้วถึงรู้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นการพิจารณากําหนดระลึกรู้อาการของโทสะที่ปรากฏแก่จิตสุดหลักที่ทรงใช้ทรงสอนทุกกรณีในการประพฤติปฏิบัติก็คือความเพียร สติสัมปชัญญะจะต้องมีปริมาณมากพอที่จะระลึกรู้ทันและกําหนดพินิจพิจารณาในชั้นแรกก็เป็นอะไรก็รู้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองในท่านที่สองก็มองหเห็นโทษของฝ่ายอากุศลได้มองเห็นคุณความดีของฝ่ายากุศลอย่างใดที่จิตตกเป็นกุศลก็ประคับประคองรักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พยายามใดที่เป็นอกุศลจะเป็นอะไรก็ตาม มากหรือน้อยก็ตามบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยหรือมากแต่ควรเพียรพยายามที่จะบรรเทาที่จะลดความรุนแรงที่จะละซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้จะไม่มีรูปแบบอะไรอยู่แต่สติเป็นไปในอารมณ์ได้เร็วบุคคลก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของกิเลสประเภทโทสะลงไปได้ตามสมควรแก่กําลังแข่งสติที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติท่านจึงใช้คำว่าระ ล, ลึกรู้ระลึกได้แล้วก็รู้ทันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ซึ่งเป็นอาการต่อเรื่องสัมพันธ์กันต่อต้นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป